ก็ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นอยู่ในรองเท้าตอนเช้าเราโมงไม่เห็นมันนะนะก็เลยก็เลยใส่ยูกใส่ยาก็หายละปกติพอที่แล้วก็เจออตะเข็บที่มันเราไปลองน้ำฝนฝนเรื่งเปียกนะไปเหยียบสิมันเข้าก็ก็โอเคก็ มันไม่เดี๋ยวเราใส่ยาทันก็หายนะค่ะหลวงพ่อดีขึ้นก็ใส่อยู่ใส่ยาอยังไม่นอนนีเก๋ก็ยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยจะโทรก็โทรไม่ได้เพราะว่าพอดีมีวิทยากรมาแล้วก็ต้องไปดูแลต้องอะไรเนี่ยหลพ่ออ๋อแล้วมีคนเข้าเยอะไหมก็เยอะนะคะร้อยหกสิบหกโอ้โหเยอะเงินร้อหสิบหกเริ่มมีพระมีพระช่วยกันกี่รูปมั้งมีพระ ช่วยกันวิ่งไปวิ่งมาพระที่จับอะไรนะการสิธป์นะหลวงพ่ออืแนวสิบสี่จังหวะนี่แหละแล้วมีกี่รูปทั้งหมดอ่ะทั้งหมดก็สี่รูปโอ้โหสี่รูปละสี่สีรูปคนทั้งร้อยกว่ามันจะไหวเหรอก็มันมันจะมีแบบอื่นมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องมีเกมมั่งมีเป็นคารวานวันนี้หมอกหนกก็ มาบรรยายทำอย่างนี้ค่ะจักเปลี่ยนแล้วก็มีช่วงช่วงกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาใช้หลายรูปแบบเว้อใช่ๆชช<อ>เพราะว่ากลัวเด็กเด็กเครียดเพราะว่าเห็นว่าเพิ่งจะสอบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้ววิธีการสร้างจังหวะนี่ก็ใช้แจมนิดเดียหน่อยงั้นเองไงเขาก็ได้ได้สภาวะนะคะได้งไงอ่ะมันไม่ได้ปฏิบัติอ่ะโมเดฟัง คือคืออย่างนี้มันมันก็ได้ช่วยจังหวะช่วงหนึ่งที่เขาได้เข้ามาแล้วทางมหาลัยอ่ะเขาก็ขอสถานที่ที่นี่แล้วให้ช่วยคร่งมันเป็นแนวใหม่ของทางวิทยาลัยพยาบาลต่างๆที่ว่าเห็นคุณค่าทางด้านนี้แล้วอาจารย์ที่ที่ที่เป็นคนเสนอเข้ามาที่นี่ส อ, อนพยาบาลนักเรียนโดยเฉพาะเนี่ย ก็มีปฏิบัติทจังหวะด้วยเหมือนกันชื่ออาจารย์ญญดวงใจอาจารย์ดวงใจจากที่ไหนเ่ยเออเป็นงกรุงเทพนะเห็นพูดพูดพาวันนี้แกไปประชุมที่จุฬาอะไรอย่างเี้ยแหละแกบอกว่าแกสนใจแล้วแก็ว่อไ ด, ได้ได้ปฏิบัติมาบ้างอาจารย์ดวงใจที่มาปฏิบัติก็ยมพิกลหรือเปล่า ไม่แน่ใจอ่ะค่ะเพราะมีคนหนึ่งชื่อดวงใจเหมือนกันไอ้ลูกศิษย์ยมพิุณไม่แน่ใจแต่นี่มีอายุแล้วนะฮะประมาณห้าหกสิบแล้วอะค่ะอ๋อค่ะไม่ใช่ดวงใจคนที่ชื่ออีกคนเมืองดวงใจนั่นแต่งงานกับอาจารย์สุภีไม่ใช่เหรอคะอ๋อไม่ใช่ดวงใจที่ก็เป็นคนจีนเขามาปฏิบัติกับยมพิุณตั้งนานแล้วอ๋อเหรอคะอืมอ๋อแต่ว่านี้เป็คนไทยอะค่ะอ๋อแต่เขาเขาไม่ได้ปฏิบัติ ไอ้เป็นเรื่องเป็นราวหรือเปฏิบัติอย่างจริงจังมาก่อนเาก็ปฏิบัติปฏิบัติด้วยนะลูกทุบเต้าอะไรเขาเขาท่นหมดเลยนะคะอ๋อคนละคนเพราคุณดวงใจนี่มันมีลูกของคนละคนแล้วเป็นยังไงนักเรียนเขาได้อารมณ์กันบ้างไหมก็ก็ก็ได้นะคะก็คือแรกๆมามันก็เหมือนกับนกกระจอกแตกลังก็ รู้สึกเขานิ่งขึ้นแล้วเวลาเดินกําหนดอะไรก็ก็โอเคอได้คือจะเป็นคอร์สเข้มๆ ม, มันมันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เขาก็ขอให้เราจัดลักษณะอย่างนี้ย่เราก็ดูตามแผนงานไปคุณตาก็ต้องดูไปว่าแผนงานย่งนี้อานได้หรือเปล่าอะไรอะไรไปเล้วอาจารย์ที่นําเสนอวิธีการมีกี่คนเสนอวิธีการต่างๆ อาจารย์ญญที่เอาจที <Ran> เ enfin ่เป็นครหอขันที่เป็นเครืเครือเป็นฆราวาสอ่ะเออไม่ส่วนใหญ่จะเป็นพระสอนเลยของพ่อแต่ว่าเราเป็นฆราวาสเราเราจะช่วยดูแลแบบคนไหนสร้างจังหวะไม่ถูกเราก็จะไปช่วยบอกเออย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เลี้ยงที่เป็นเครือขันที่เป็นแนววิธีเคลื่อนไหวหมดหรือเปล่ารู้มีหนอมั้งก็จะมีหนอจากศิษย์ที่นี่เราก็มาฝึกแนวเคลื่อนไหวด้วย มันก็ได้เคลื่อนไหวกับหนอน้ อ, องอยางก็นั่งนั่งหลับนงนก็นั่งหลับตาทาแต่ไม่มีหลับนะคะไม่นั่งหลับตาเลยไม่ม ไ, มไม่ใช่หมายถึงนั่งหลับเน้นนั่งับตาทใช่ไห ม, มช่วงที่จนใหญ่จะเป็นเดินนะหลวงพ่อเดินแล้วก็เดินหนอ เดินหนอก็ไม่ได้กําหนดหนอแบบชัดเจนเนี่ยก็เดิมแบบให้รู้สึกตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นกลางๆอยากเงินแต่ว่าแท่้า ถ, า, ถาแนวของหนอเนี่ยก็จะเน้นแบบเข้มเลยอ่ะจะแบบใส่หนออย่างเดียวแต่นี่ยังมีเปียปรับธาตเนี่ยอะไรเพราะว่าคุณตาเขาเขาก็จะให้ปฏิบัติแนวนี้ไงแต่ว่าทางนี้เลยให้มีหนอเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผสมผสานแต่ว่าช่วงเดินอ่ะใช่แล้วก็หลังจากคอร์ส ใกล้ๆที่จะจบประมาณสักสามวันสี่วันก็จะเน้นสร้างจังหวะอย่างเดียวเลยเหมือนกับให้มีสมาธาิไปก่อนนำแล้วเดี๋ยวจะเกิดมีการเคลื่อนไหวแบบเดินใช้สติในการเคลื่อนไหวรู้ไปหมดเลยจีิงๆเพื่อมาประยุกเข้าด้วยกันเหมือนกันเถอะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชคนนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ก็คงยืนนิ่งอ่งนะตอนท้ายๆมหลายวันอเนาะใช่ ก็ S <S> ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอายุสิบแปดยี่สิบเป็นนักเรียนพยาบาลปีสองปีสามเด็กก็กำลังเรียนนะกำลังกินกาลังกิ น, นไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบว่ผู้ใหญ่เลยตอนชุกรุ่นนี้จะเป็นเด็กเหมือนกันหมดเลยสิบแปดถึงยี่สิบยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห้องร้อยคอร์ดของนักเรียนพยาบาลจุฬาลามาสิริราชการแพทย์รามาอะไรเงี้ยหลวงพ่ออ๋อไม่ใช่ที่เดียวนะ กันมไม่ใช่ฮแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่มาเป็นคนรุ่นหนึ่งคนรุ่นหนึ่งก็เป็นร้อยคนขึ้นไปเลยอะค่ะจริงจริงจริงอะจริงจริงกุ้งต้องมาช่วยช่วยเขาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วบังเอิญว่าไปเข้าคอสของพ่อใช่ไหมออหแล้วก็พาดันนี้แล้วก็วันที่สองก็ต้องไปที่ที่ที่ยัวพุทธสองแล้วก็ต้องไปเข้าคอสครูตสติอีกของหลวงพ่อแล้วที่ครูที่พุทธ ยูพุทธสองนี่ใครสอนอยู่อะยูพุทธสองมันมันไม่มีนะมันเป็นสถานที่ที่ว่าถ้าเราจะจัดเราก็จะเหมือนกับสมมุติขอดหลวงพ่อใช่ไหมสถานที่ก็คือรอหลวงพ่ออย่างเดียวอ๋อ <c oughs> แล้ววนะันนั้นคุณกุ้งอตอนคุณกุ้งไปใครจัดอืมตอนที่หลวงพ่อไปเหรออ๋อหลวงพ่อไม่ได้ ไ, ไปนี่เนาะไม่ได้ไปเดี๋ยวที่คุณกุ้งไปก่อนที่นึ่งก่อนหลวงพ่อใช่ไหม ก่อนงพ่อจะมาใช่ใช่ใช่ใแต่ตอนนั้นตอนตอนกุ้งไปไปของคุณแม่สริอ๋อไปไปร่วมไปช่วยเขากันเถอะใช่ใช่เพราะว่าก็ฝึกแนวของคุณแม่สริด้วยมาไงอ๋อมีคนเยอะแล้วปฏิบัติหลวงพ่อเทียนก่อนแล้วก็พอสี่ห้าปีก็หลังจากนั้นก็คือเข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งรูปแบบแต่ว่าเราก็มาเรียนรูปใหม่แล้วใครใครใครนาใครนาใครนาภาวนา ตอนนั้นอาจา ร, รย์รสจพรกับ อ, จจรรอาอจา ร, รย์อาจารย์รสพรกับอาจา ร, รย์นิสารัตออแล้วเขา ส, สอนวิธีหลวงพ่อเทียนด้วยเหรอตอนนั้นไม่ได้สอนคือคือก็เหมือนกับปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งแต่วัดแพร่แล้วประมาณห้าห้าได้ห้าหกปีก็มาทางสายหนอของคุณแม่สลออีตอนที่เขาสอนเขาสอน ตอนที่ก็สอนนึนกสอนสายหนอวันเถอะใช่ใสายหนอตอนอุย้ยไอแนวสิบสี่จังหวะเพิ่งเข้ามาตอนสมัยหลวงพ่อนี่เองที่ไปเจอพี่ตาที่ตรงอาคารทำุ่งโลดหลวงพ่อเออเหรอใช่อ๋อ <laughs> ใช่แต่ว่าตรงนี้มีพระอาจารย์คันชิดมาก่อนแล้วก็พระอาจารย์ภพยศาสตริสาโลโแล้วคุณตาบอกว่าหาหาพระที่มาสอนสายหนอมันยาก ก็อย่างพระอาจารย์ในสารก็จะสอนออกแนวเรื่องลู่วาระจิตสุดท้ายอ ะ, อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ของพระอาจาย์กันชิดก็จะเป็นเบสิกทีนี้พอเบสิกมากๆคนที่นั่นมากๆคือเขาเริ่มปัญญาเขาเริ่มมี เ, เนี่ยมันก็ตันไงหลวงพ่ อ, อทีนี้พี่ตาขพขก็ได้ยินชื่ออะของหลวงพ่อบรรณาฯก็เหมือนอาคารทํารุ่งโลดเอาไว้ดินชื่อหลวงพ่อบรรณาฯแล้วซึ่งคุณชุนันทาก็รู้จักทํารุ่งโลดแต่ว่า มันกับเคยพูดพูดแล้วหลวงพ่อไม่เคยว่างสักทีหนึงออ่งก็บังเอิญมาเจอกุ้งนี่แหละก็เลยนิมนต์หลวงพ่อไงนออั่นแหละแล้วคุณตาก็เลยบอกเออทําไงยังกุ้งจะได้นิมนต์หลวงพอ่อเขาบอกวัเนี้เดี๋ยวเข้าไปคุยพรางานเขาเยอะท่านเยอะจะรับปากยังไงก็เดี๋ยวลองคุยะท่านดูอแล้วแล้วคุณตาเขาเป็นคนทําอะไรเขามุ่ง ม, มั่นแล้วเขาจริงจังแล้วเขาใส่ใจอะ่ะออื แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออพูดตรงๆเลยว่าปฏิบัตินแนวหนอ่อมันมันติดแล้วบางคนมันไม่ถูกจะเด็ดมันไปไม่ได้ของพ่ อ, อ, อเขาเองเ้าก็เลยหาหาหาหาอะไระแต่ เ, เ อ, อเดี๋ยวนี้รู้สึกตาเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเ้าหาพัฒนาต่อยอดจากหนอเวชเพื่นอนพ่เทียนเลยมนะ ใช่ใช่แต่บางเอิญว่าเขาเป็นคนสร้างบุญบารมีดีในเรื่องการสร้างคนไงหลวงพ่อใช่เข้ยาใจเขาเลยดูเหมือนว่าเขาคุณตาจะเด่นกว่าเพื่นในกลุ่มของสิทธิของหลวงในโยพุธเนี่ยนะใช่ใ ช, ใช่แล้วเขาทําแบบว่าเขาไม่มีอะไรไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรไงหลวงพ่อแต่ว่าจากอย่างของขอ ง, ของจุฬาเนี่ยจุฬาการแพทย์เข้ามาหรือรามาจิริล่าอะไรพวกนี้ยเขาจะมีงบเข้ามาแล้วสมมติว่าเข้ามาร้อยร้อยหก กสิบคนเนี่ยเขาก็จะตรีมมาว่าจะให้เด็กหัวนึงเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรสิเนี่ยอืมมันก็จะเป็นเงินตรงนี้เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการบริหารจัด ก, การเนี่ยหลวงพอ่อแต่ว่าพวกคุณเข้ามาช่วยนี้ไม่ได้อะไรนะห ล, ลวงพ่อเป็นจิตอาสาหมดเยนะไม่ได้ตังค์นะหลวงพ่ออ๋อเหรอม่ได้ตงีแต่ว่านิมนต์พระจากนู่นนี่มาก็จะให้ให้ค่าเดินทางให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเรียนหลวงพ่อวันนี้อ่ะ คุณจิโทรมหาลายมหาพี่ตาว่าเนี่ยจะขอให้ออกค่าเครื่องบินอะไรๆพวก น, นี้สำหรับคนที่จะมาได้ไหมอะไรเงี้ยพอดีพอดีกุ้งก๋วยู่ี๋ตรงนั้นนะแล้วพี<ม>่ตาก็เลยบอกลายลน์กลับไปว่าเฉพาะพระนะพระทีท่านอะไรเงี้ยถ้าคาราวาสไม่เกี่ยว<ม>เสร็จแล้วเขาก็เลยส่งรูปหลวงพ่อมาใช่ไหมแล้วก็ ส่งส่งอีกคนหนึ่งมาซึ่งเป็นผู้ชายหัวละล้านหน่อยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพี่ตาฟุ้งฟดูสิคนนี้พระหรือวะจะพระได้ไงไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองคาราวาสมีมีผู้ชายผู้ชายหัวละล้านเป็นใครอหรไม่รู้หรอก็มีเามาเอามานี่มาเยาท่านนิวเอามาเอาท่านนิวเอาท่านนิวไปไปเป็นเพื่อนอย่างสององค์เองนะ ก็ตัดผมเกียนเกียนหลวงพ่อเขาจะใส่ไหมแต่ว่าใส่เสื้อขาวคุณตาเลยบอกว่าไอ้คนที่ใช่พระบอกใช่ที่ไหนแล้วไม่ได้ใส่ชุดเหลืองอืมแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยเยขาสง า, าสูงรูปผิดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่หลวง่าฟังแล้วก็เลยบอกว่าถ้าหลวงพ่อมาเนี่ยองคงจะมีพระติดตามหนึ่งรูปเลยสองรูปก็เลยบอกว่าเอองั้นก็จะจัด ก, การแกเรื่องพระถ้าเป็นคารวะตาไม่เกี่ยวอืม ก็เลยให้แคุณตาไลา่กลับไปอย่างนี้ <toothpaste. S 2> เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าจะมาเครื่องหรือจะมารถหรือจะมาอะไรให้บอกเขานั้นเองแต่ถ้าถ้าคาราวาจะมาพร้อมหลวงพ่ อ, พอามารถหรือมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอารถไปรับทีเดียวไม่มีปัญหาแต่ว่าค่าเดินทางพระหาุณให้เฉพาะพระคารวาไม่เกี่ยวอืมแล้วแล้วอยู่ๆแกก็ไล่อะไรมางานของพ่อรู้ไหม หลวงพ่ออไปได้ไม่เป็นไรท่านสัตหะไปได้ท่าน 49, สี่สิบเก้าพรรษาแล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่็จแล้วคุณตาเขาเลยบอกว่าให้กุ้เอ็นสัตหะนี่แปลว่าอะไรบอกเอาสัตหะก็คือเข้าพรรษาท่านอาจจะต้องเอ่อออ อ, อ, อ, อออกจากวัดได้เส็จวันก่อนวันที่เจ็ดเสอผ้าที่ขึ้นต้องสัตหะกาบอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจีไปตอบว่าท่านอยู่ได้ตลอดเคอเลยเอาตลอดเคอมันกี่วันน่ะอะไรคืออะไรไม่เข้าใจงงไปเลย ก็เลยบอกอะไรไม่เข้าใจโทรถามหลวงพ่ออย่างเดียวก็ต้องสนใจคุณจิแล้วเขาเขาบอกเอาอย่างงี้เลยลบตาไม่เป็นลบคนท่านหรอกเราคุยเรื่องงานเราไม่ได้คุยเรื่องเฟิร์เจอร์หลวงพ่อนะคะเอามาอบอกอเอามายัางหลวงพ่อยังสงสัยว่าไอ้คนผู้ชายคนนั้นเป็นใครหลวงพ่อยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ กระจ่างหนยนะเขาเขาส่งเดี๋ยวจะยวิาส่งลูกไปให้หลวงพ่อดูเออส่งลูกไปให้หลวงพ่อดูหน่อยนะแล้วหลวงพ่อนะถ้าหลวงพ่อจะให้ให้ให้คุณจิเนี่ยกุ้งก็ไม่ได้อยู่กับคุณจิมาตั้งแต่แรกนะแต่ก็รู้ว่าค่อยๆเปลี่ยนทีนี้ถ้าหลวงพ่อจะให้เขาเป็นปกติหลวงพ่อต้องไม่ให้เขายุ่งอะไรเลยตัดให้เขาจบไปเลยให้เขาไม่มีไม่มีบทบาทอะไรกับหลวงพ่อแล้วเขาไปพูดว่า เรื่องสร้างทางสร้างวัดดอยอะไรเนะี่ยเขาเป็นคนจาัด ก, การเองทุกอย่างหลวงพ่อให้เาจัด ก, การแล้วนนั้นท่านอะไรอย่าที่ที่ตั้งกล้องอะ่ะชื่ออะไรนะเป็นพ <F S 1> เออท่าเอไปบอกกับท่านเอฟกับท่าถ้ำที่พระเออท่านนิวบอกเนี่ยมีอะไรให้ให้เชื่อโยมคนเดียวเพราะว่าโยมมารับงานจากหลวงพ่อมาฟังโยมอย่างเดียวก็พอนี่คือ ไม่ได้ยินด้วยตัวเองนะแต่แอปเปิ้ลมันมาเล่าให้ฟังแล้ววันที่กลับท่านเอฟเอาเงินไปฝากฟูจิเพราะว่ า, าหมอฟันกับทหารน่ะกลับบอกก็เลยถวายพระทุกองค์ตอนนั้นกนะุ้งเห็นอยู่ทีนี้ท่านก็เลยเจอว่าก่อนวันกลับก็คือวันรุ่งขึ้นตอนเช้ากลนงคืนนั้นก็บอกโยมโยมโยมจิอาตจะมาร่วม ถ้าเดินทางด้วยก็คือซองอันนั้นที่หมอให้ส่งให้อืนี่แหละแล้วไอ้เรื่องจะถามเรื่องเสื้อที่เอามาขายอะไรต่างๆอ่ะหลวงพ่อพ่อลงเล้ว่าเขาออกปัจจัยมาจากที่ไหนก็มีกองทุนกองทุนสื่อนะกองทุนสื่อที่เขาสร้างอสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะพิมพ์หนังสือบ้างแจกไอ้แฟดได์บ้างอะไรว่างเขาก็เอ า, เอาไปรวบรวมเป็นกองทุนน่ะนะ แล้วหลวงพ่อรู้ไหมว่าเขาเออกแฟนได้ไปขายอันละสามร้อยตอนรู้ตอนที่ไอเ้เพอนมันทำตอนนั้นตอนนี้เขาแจกนะ เ, นเขาแจกนะ <c oughs> ไม่ก็บอกหลวงพ่อก่อนแล้วรู้ไหมว่าเขาเอาบัญชีหลวงพ่อไปขึ้นลายว่าถ้าใครจะทําบุญกับหลวงพ่อให้โอนโอนเข้าบัญชีชื่อพาะเพ่อหลวงพ่อเลยอ่ะ <c oughs> อือฮัอ่าแล้วก็อีกเรื่องก็คือไปไปลงว่าเขาอ่ะเป็ดเหมือนกับเป็นผู้ติดตามอ่ะจะต้องเสียค่าเดินทางต่างๆ แล้วมันมันเราคือรู้ว่าเขาต้องออกเองอะ่ะมันไม่มีกองทุนก็เลยอยากให้ให้มีเป็นกองทุนอันนี้ยถ้าใครอยากช่วยอะไรเนี้ยแล้วทีนี้่คุณเล็กะเขาไปเห็นในไลน์แล้วเขาก็เลยไลน์ถามเแต่แล้วเขาไม่รับก็เลยโทรว่าทําไมทําอย่างนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อไม่มีอย่างนี้แล้วจะเสียก็คือเสียหลวงพ่อทําไมทําอะไรไม่ปรึกษาเขาบอกหลวงพ่อรู้หมดแล้วอะไรประมาณเนี้แล้วคุณเล็กเขาก็เลยแบบไม่อยากเ้าซีไงเขาลำคาญไง แล้วเขาบอกเขาไม่อยากทํางานอะไรจากคุณจีอ่ะเพราะว่าเขาไม่บอกอะไรเราเลยถามอะไรก็ไม่บอกให้ทําอะไรก็ไม่บอกก็อย่างอืมอ่านี่แหละแล้วกลายเป็นว่าเข้ามาหาวัดพี่เล็กอะ่ะบอกว่าหลวงพ่อหาเงินทางนี้เขาบอกฉันไม่ได้พูดเลยนะพุ่งฉันเตือนเขาว่าทําอะไรอย่าทําให้หลวงพ่อเสียหายอือมแต่เขาไม่พูด <c oughs> อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ี่บอกไม่ได้หรอกบางทีบางเรื่องอะไรเนี่ยหลวงพ่อต้องรับรู้แล้วจะได้พิจารณาได้เราไม่ใช่เราเงียบเงียบไปอย่างนี้อืมที่นี่เราเรื่องนี้มันเกิดแบบนี้เราจะในวิธีของพครุ่เราจะแก้ไขยังไงเพราะเราเห็นว่าสํานักต่างๆที่กวออาจารย์พังมาหรือเสียหายไปก็เพราะรู้สิษย์ไม่เข้าใจกันกัทะเลาะกั น, กนแล้วมาถึงตาเราบ้างเราจะมีพี่ช่วยกันแก้ไขไหมมัน แก้ไขยังไงหรอหลวงพอ่อหลวงพ่อต้องคือคืออย่างที่กุ้งบอกข้อแรกว่าถ้าไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสหนึ่งต้องเก็บอารมณ์แล้วเรื่องต่างๆจะต้องไม่จัดการเองออทุกอย่างต้องต้องรายงานให้หลวงพอ่อรู้ผ่านหลวงพอ่อหรือไม่ตอนนี้เขาคล้ายๆว่าเขาเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมีความคิด พวกโอ้โหทุกอย่างเช่นขุมอ น, นาจผลอะไรเชใหญ่โตเลูกศิษย์ลูก ห, ลหารู้แล้วว่าฉันเป็นคนสนิตหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อต้องตัดอำนาจตรงนั้นเข้าไปเลยค่อยค่อยลดบทบาทเข้าไปอะไรที่ที่คิดว่าทําแล้วหลวงพ่อไม่เดือดร้อนก็ให้เขาทําเรื่องสื่ออะไรพวกนี้ อ, อย่างถ้าติดต่อทางกรุงเทพหรืออะไรหรือไงเนี้ยถ้าหลวงพ่อไว้ใจกุ้งยินดีทําให้ พี่เล็กก็ินดีได้ยั ง, ยงติดต่อกับพี่ตาคนนู้นคนนี้คนนั้นเลยแล้วจะรายงานหลวงพ่อเป็นเป็นระยะระยะแล้วใครจะยังไงก็จะให้ติดต่อคุยกับหลวงพ่อโดยตรงอืเพราะว่าไม่ต้องการให้คุยผ่านไปผ่านมาแล้วหลวงพ่อเป็นคนกลางมันจะไม่ได้สิ่งที่มันชัดเจนออืืคพวแต่ถ้าคนไหนพี่ไม่ไม่ปลอดภัยเงี้ยถ้าทําให้หลวงพ่อเสื่อมเสียไม่ปลอดภัยเงี้ยเราก็จะกันไม่ให้เข้ามายุ่งออื หลวงพ่อคุยกับครูเล็กว่าเอ๊ะถ้าเงน้นเรารับผิดชอบเป็นเป็นภ่อพากดีไหมถ้าสมมุติภาคกลางเนี่ยพวกเราเป็นคนรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการรับลงทะเบียนอะไจัดคอร์สอะไรนะี่นะถ้าเป็นเป็นภาคเหนืกอก็ทางนี้จัดไปถ้าเป็นภาคใต้ออกออ็ทางนั้นจัดไปถ้าเป็นภาคตะวันออกทางนั้นจัดไปม้าก็ว่ามันมันน่าจะปลอดภัยอ่ะโดยที่ว่าทางภาคไหนก็มีกรรมการภาคนั้นจัดการไปมันจะรู้ปัญหาเนาะ มันมันก็ดีมไม่มันก็ดีอย่างที่หลวงพ่อพูดอนะ่ะมันก็ถูก uh huh. แต่ว่าอย่างน้อยหลวงพ่อต้องมีคนกลางที่เป็นเฮดคอยเชื่อมซึ่ง uh huh. ซึ่งทั้งใต้เหนือเนี่ยจะรู้เรื่องงาน uh huh. แล้วเพื่อกันไม่ให้คนที่ทํางานเหนือใต้ออกตกเนี่ยมามีอำนาจเกินกว่าหลวงพ่อแล้วไม่ให้ทําอะไรที่เสียเ่ยงกับหลวงพ่ออ่าฮะตรงนี้เราเราก็คิดกันอย่างนั้นว่าถ้าหากกระป๋อยให้คนเดียวคนหนึ่งมันเทค โอเวอร์ตรงนี้มันก็จะมีปัญหาขึ้นมามันก็มันก็หนักหน่อยเนาะถ้าเราไม่ใช่โอเวอร์คนเดียวอย่างสมมุติทําเนี่ยกุ้งพิเล็กอะไรพวกนี้ยคือจะรู้กันว่าเออพ่อไปนู่นนะเราประสางานกันเราก็ยังยังไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เออพิเล็กอย่างเนี้ยทีเนี้ยพี่เล็กเขาบอกว่าไอชั้นอะมันแก่มากไม่เหมือนเธอไอกุ้งแกมันไวแกมันรู้อะไรทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้ามี ถ้าการใช้งานแล้วอ่ะมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันจะไม่ทําให้เกิดโทษหลวงพ่อใช่ใช่แล้วเราก็จะไม่ทําเหมือนแบบตัวเราอ่ะแค่นี้เราก็จะเล็กอยู่อย่างนี้หลวงพ่อเนี่ยบอกไมันจะไม่เติบโตอะไรมากกว่านั้นเพราะเราต้องการเพื่อทําเพื่อผู้ศาสนาแล้วทําเพื่อให้คนอะมีจิตโทนนาให้รู้ทุกแล้วก็อยู่กับทุกข์ได้ก็ ừ ừ, ừ. เราก็จะกลัวแบบกรรมหลวงพ่อเนะี่ยบอกไหมใช่มันก็มีมีหลักเข้ามันอยู่แล้วแต่ ว, ว่า ถ้าหากว่าเมื่อไหร่จิตมันไม่ปกติแล้วมันก็จะลืมหลักเหล่านี้นะเะนั้นเราก็มันก็กลายเป็นว่าไอ้ ก, กิเลสมันครอบงำไงหลวงพอ่อใช่แต่ส่วนหนึ่งวิธีแก้ชัดๆนี่กุ้มคนว่าคนจะเริ่มต้นยังไงลองลองลองเสนอมาดิคือช่วงระยะนี้ช่วงระยะนี้ที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดที่ยังไม่อะไรเนี่ยอไอ้เรื่องงานที่ที่หลวงพ่อให้เขาทาเรื่องเอกสารต่างๆอะไรอะไรเนี้ยออหลวงพ่อ คอยตรวจสอบแล้วอะไรที่เขาส่งเข้ามาหรือติดต่อใครทุกเรื่องหลวงพ่อให้เขารายงานเป็นชีตมาก็ได้ใช่ใช่ใช้วิธีอะไรอยา่างเง้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวหลวงพ่อก็จะรู้แล้วให้เขาทาเป็นเป็นเล่มมาเหมือนกับเป็นไดอารี่ก็ได้เลยเป็นสมุดแล้วหลวงพ่อก็เซ็นรับทราบว่าเรื่องนี้ฉันรับทราบแล้วนะเซ็นเซ็นกำกับไว้เลยออืมันก็จะไม่มีม่วงไงหลวงพ่อออืมันเป็นการป้องกัน เป็นการป้องกันเข้าไปด้วยเนาะใช่คือคือเหมือนกับมันเป็นเรานะก็คือเอาลายลักอักษรเนนะี่ยเป็นเอกสารมัดตัวออสมมติว่าอ่ะถ้าเป็นกุ้งอ่ะหลวงพ่อมาพุ้งก็เขียนเออนี่งานนี้งานนี้ตอนนี้เนะี่ยหลวงพ่อมีคนติดต่อมางี้งี้อ่ะพอจบข้อนี้หลวงพ่อนี่เนะนี้เนะี้ยเขามีปัจจัยร่วมท่านนี้ถวายท่านี้กู้งก็จะเขียนรายละเอียดอยู่นี้นั่นเลยว่าเออนี่นีแล้วแต่หลวงพ่อว่าเออเอาไปนู่นี่นี่คือให้รับทราบ แต่นี่มันไม่ใช่นี่คือเขารับแล้วใส่กระเป๋ารับแล้วใส่กระเป๋าก็ไม่งานงานหลวงพ่อนึกออกไหมถามว่าจริงๆแล้วเราต้องการรู้เรื่องตัดใจไหมไม่ใช่แต่พวกอ่ะคือเป็นคนทํางานมันละเอียดแล้วเป็นระเบียบชัดเจนไม่ต้องการคุ้มครืออแล้วเราเคลียร์ตัวเราเองด้วยนึกออกไหมคะหลวงพ่อใช่แต่เขาทําอะไรเขาไม่เคลียร์ตัวเขาอะ่ะมันตอบไม่ได้ซักอย่างอืมวันนั้นจุดที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขเพราะว่าปัญหามันเพิ่งเริ่มเนาะ แต่ส่วนใหญ่ที่เกิดกับสายงานทั่วไปปัญหามันเริ่มไปจนถึงที่สุดพังไปแล้วงมารูปปัญหา<อ>ที่นี่ใช่ที่นี่อพอเราพอเราเริ่มเพิ่มตัวเด็ดทำทําให้มีปัญหามากที่สุดคือคนใกล้ตัวทําให้ผระเสียเยอะแยะใช่ใช่แต่นั้นแหละของเราเริ่มเพิ่งเริ่มคิดว่าคงจะแก้ไขทันหรเพราะว่านะทานหลวงพ่อหลว ง, งพ่อมีปัญญาออกแต่ว่าบางครั้ง่ะหลวงพ่อเราไม่มีเวลาเราแค่ว่าเราไม่มีเวลา ใช่เราไม่มีเวลาที่จะมาดูรายละเอียดเหล่านี้นะแล้วก็คิดว่ามีเจตนาดีเนาะมันก็เรื่องมันคงจะดีอนะที่ไหนได้มังทีปัญญาเขาไม่พอมันก็คงจะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงนี้เราคงจะต้องเชิญมาแก้ไขนะมันมันก็จริงๆมันก็เป็นช่วงจงังหวะชีวิตเขาแหละมันก็เขาอยู่สายงานอย่างนี้มันก็เป็นตัวทดสอบเานะว่าถ้าเขาไปพน้นอันนี้ไปเขาก็ผ่านไม่พ้นเขาก็สอบตกอ่ะใช่เลยาาใช่ เป็นการทดสอบถ้าถ้าหลวงหงพ่อจะให้แก้ก็ อ, อย่างที่คุณ้งบอกแหละทําเป็นเหมือนกับรายวันน่ะวันนี้ถ้ามีอะไรเข้ามางานที่หลวงพ่อให้ทำเอาเขาบอกว่าหลวงพ่อให้พิมพ์ชื่อพระเพื่อจะส่งไปให้ไอ้เจ้าคณะจังหวัดอะไรอะไรอะไ ร, อะไรอย่างเงี้ยอแล้วในพรรษาแล้วเดี๋ยวเ้าต้องเก็บอารมณ์อย่างงู้นอย่างงี้งัานอะไรเนี้ยก็เราก็ฟังเขาทีนี้ หลวงพ่อจะเอาใครเข้ามาใช้งานถ้าคนที่ไม่เคยทำหรือว่ายัางดูแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยหรือคนที่ใช้งานไปแล้วเรื่อยๆหลวงพ่อก็พักๆ ก, ก็ต้องเอามาคุยเอามาเตือนสติอะไรเกิดขึ้นต้องไม่สั่งไม่ให้ทำแต่แล้วรเรื่องอะไรทุกอย่างหลวงพ่อ ต, ต้องรับรู้ใช่คุณจริงเรื่องนี้ เ, เรื่องที่หลวงพ่อหลวงพ่อทำแบ อ, อว่ามันมีการอบรมเช่าเย็นอ่ะนะ พ่อก็หลวพอก็คุยเรื่องนี้ประจำอยู่ที่นี่แล้วแต่ใครจะเก็ตไม่เก็ตมันก็ไม่ได้เจาะจงว่ากันเถอะแต่คุยถึงหลวงพ่อจะบอกให้เลยนะออคูณจิฟังอะไรที่หลวงพ่อพูดไม่ออกสักอย่างเลยนะนี่พูดตรงตรงเลยนะ เ, ออเขา <8. S 2> จะฟังว่าหลวงพ่อพูดอะ่ะไปว่าคนอื่นไปตีคนอื่นเขาไม่ผิดเขาเขารู้เรื่องหมดอะไรอย่างเงี้ย อ, อ้าเขาข้ามตัวเองมันมันเป็นแบบ ข้างตัวเองอ่ะเขาเขาถูกหมดน่ะไงั้นเขคนอื่นทําไมจะอยู่กับเขาได้ยังไงมันก็ อ, อยู่ไม่ได้ก็เพราะเรื่องนี้ <ừ> แล้วไอ้เรื่องที่ว่าเวลาไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอ่ะกุ้งไปช่วยงานเนี่ยแล้วบางคนมีปัญหาเรื่องอารมณ์อะไรไรเนี้ยถ้าหลวงพ่อเห็นว่าเออกุ้งเองพอให้อารมณ์ได้ก็ให้ไปถ้าไม่ได้ก็บอกมีอะไรต้องมาบอกหลวงพ่อ <reflects S 2> ให้เข้ามาให้เข้ามาปู้๋ยอย่าหลวงพ่อห้ามให้อารมณ์ผิดผิดอืมอืมแต่นี่ไม่ใช่ ปุจิอ่ะไปบอกอารมณ์อะไรผิดผิดบ้าบ้าบอๆให้มันรู้ไปไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปแบบกระทบเขาอ่ะคือไปพูดอะไรแบบเสียงดุดุดดังดันอ่ะแล้วบางทีก็แบบโวยโวยวายอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเดินจมกอมจนได้อารมณ์อยู่ๆก็เดินเข้าไปขู่เอะเอาเฉยเงี้ยอืมมันก็ไม่ใช่หน้าที่เนาะ มันก็ไม่ใช่หน้าที่ถูกไหมล่ะหลวงพ่อคนเรามันคาดรู้หน้าที่ตัวเองเนี่ยมันก็จะทํำทุกอย่างโอเคทีนี้มันไม่รู้หน้าที่คืออยากไปรู้เรื่องหน้าที่ขึ้นหมดก็เหมือนโ ท, ทรโทรศัพท์ของพ่อพอมันติดปุ๊บก็มีคนโทรเข้ามาแล้วบลายมันก็เด้งๆอยู่ๆก็ไปกดโทรศัพท์หลวงพ่อรูว่าใครโทรกุ้งก็พูดเลยว่าเอา้าโทรศัพท์ใครหลวงพ่อมีสิทธิ์ไปทําเหรอมันเป็นเรื่องหลวงพ่อข้อมูลต่างๆไม่มีสิทธิ์รู้ด้วยจะบอกให้เขาบอกเอ้า ก็เขาจะรู้พ่อต้องรู้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อย่าพูดเองเดี๋ยจะถามหลวงพ่อเลยนะอันนี้ถือว่าไม่เคารพครูบาอาจารย์ถ้าเป็นของกุจิเนี่ยถ้ากู้งออกมาทำกุ้งก็ไม่เปิดดูหรอกมันโดยมรารยาทไม่สมควรอยู่แล้วออืคือกุ้งก็พูดต่อหน้าเขาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เหมือนแต่ทุกครั้งที่พูดไปพวกไม่พูดแล้วเขไม่เถียงด้วยนะที่บอกกับหลวงพ่อออืเราไม่ใช่เข้าข้างตัวเองว่าเราเก่งแต่เราเหตุอะไรคือสมควรกับไม่สมควร ออืทําไมคิดไม่ได้เหรอใช่แล้วเขาไปพูดเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณเล็กอะที่มาปฏิบัติรอบนี้ที่คุณสติอ่ะกุ้งเขาไม่จักใครเขาไปบอกว่าคุณเล็กอ่ะส่งกุ้งมาเพื่อปากเขาโดยตรงเอ้าคุณเล็กก็งงมากเลยกุ้งแกยังไม่รู้เลยว่าแกไปนี่นะเขอบอกว่ามันแสบมากมันเอาชั้นทุกอย่างเลยนะฉันก็พูดกับมันไม่ออกสักอย่างที่มันพูดมันเนี่ย เขาไปเล่าให้คุณพานุตตะแล้ว่ะหัวตั้งหัวเลาะที่นเลยเลยเอ๊เดี๋ยวเพื่อนคุณเล็กคุณตูตงใช่ไหมคุณเล็กคุณตันี่แหละเออก็เลยว่าถ้าไงเราก็เลยก็เลยบอกว่าต้องพูดให้หลวงพ่อเข้าใจไม่งั้นหลวงพ่อจะไม่เข้าใจเพราะเขาไปใส่เอาไว้เยอะอ๋อคงจะโดนอย่างไอ้วันไอ้ยังเขาไม่ต้องการให้คุณเล็กเข้ามาเพราะว่าคุณเล็กรู้เรื่องอะไรในหลายคนเยอะพ่อเข้าใจไหมเขาก็กลัวว่า ครูเลกจะมาบอกหลวงพ่อเออเหรอเออประมาณนั้นแหละเขาถึงกันครูเล็กออกไปไม่ให้ยุ่งไม่ให้อะไรแล้วก็หาว่าครูเล็กไม่ไม่ว่าหลวงพ่อว่าอ่าอะไรนะหากินเอเมื่อก่อนไม่หากินเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างมุ่นอย่างนี้แล้วว่าอ่ออะไรนะเหมือนกับเ้าพูดว่าอะไรนะเหมือนกับไปว่าลบหลูหลวงพ่ออ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยอืม ก็ใส่ใส่ไายใส่อะไรอืมคุเล็ศพอดีกุ้งกคุเรศเนี่ยก็เลยถามคุณเลรศ ด, ดู mm hmm. เขาบอกเอ๊บ mm ้าเช่นนี้อย่างนั้นเลยนะกุ้งแก ร, รู้ไหมเนี่ยฉันพูดเองว่าไม่ให้ลงลายหลวงพ่อจะเสียอาหาย mm hmm. แล้วมันไม่เคยแล้วเดี๋ยวนี้ข้างนอกทางพระเขาก็ตรวจสอบ <Okay. S 2> เรื่องเงินทองอยู่ทําอะไรหลวงพ่อรู้ไหมบอกกุ้งบอกร้อยเปอร์เซ็นเอาหัวเป็ น, น ก, การหลวงพ่อไม่รู้เรื่องอื mm hmm. แล้วทําเรื่องแต่ละเรื่องหลวงพ่อต้องไปนั่งแก้ปัญหาให้เขาตลอด ที่นี้ถ้าหลวงพ่อว่าคุณจะต้องหาวิธีแก้ไขแบบบวัวไม่ช้ำน้ําไป่ขุนนะนะเราคงมาช่วยกันอช่วยกันถ้าสมมุติว่าเราเราพูดอะไรไปถ้าเกิดทบเขาที่พวกเขาจะเสียใจเราไม่จะแก้ไขเขา ย, ย, ยากเราคงจะแก้ไขกันแก้ไขกันเงียบเงียบกันก็หลวงพ่อก็เป็นตัวอย่างนี้แหละเอไม่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยเข้าไปเขาไปเล่นงานเราตัวอื่นมันจะลำบากเนี่ยเราก็คงจะต้องช่วยกัน แก้ไขว่าใใถ้าเกิดไปตั้งกลุ่มแล้วก็มาถล่มเราเขาไปตั้งกลุ่มมาถล่มเรากลังเรายุ่งเลยนะไม่ไม่หลักฐานจริงๆดิเขาเป็นคนท่ามทาถนนนะฮะเรียกไล่ลายแล้วหลวงพ่อเป็นคนให้เขาเป็นคนดูแลทั้งหมดจัดการทั้งหมดเลยเหรอเขาไม่ได้ไปพนปัญหาใช่เวลก็ช่วยกันหลายคนนะคุณหมอทวารพวกนี้พวกกรรมการหลายคนก็ช่วยกันแต่ว่าเขาเป็นมือสื่อก็มือประชาสัมพันเขาก็เลยมีโอกาสที่ประกาศตรงนั้นเยอะหน่อยไงแต่คนจริงมันก็ช่วยกันหลายคนเออพวก พี่บ้านพวกประธานมูลนิธิเขช่วยกันแต่ว่าทางอื่นเขาไม่เขาเล่นทางสื่อไม่เคยเป็นไงเ้าก็สนุนสนุนการทํำจะให้ครูจีเป็นเดขาก็เลยเขาเขาเขาเขาาไม่ได้พูดอย่างนี้สิเขาบอกว่าเนี่ยถนนนู้นทางเสร็จก็เพราะเขานู่นกับเสร็จก็เพราะเขาอ๋อก็เลยโดนคือเขาคุยให้กูฟังางนะพี่เล็กเขาก็ได้ยินอย่างนี้ก็เลยโดนตีหนักเลยนตีหนักก็เห็นได้ก็มัน ใช่อะคุณต้องพูดเอาเออนี่เนี่ยถนนเสร็จเพราะอะไรก็ลงรายเนี่ยคนนุ่นร่วปัจจัยเท่านุ่นเท่านี้เท่านั้ น, <c oughs> นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ทั้งนั้นเลยโฆษณาสาทุกกันอะไระไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ถูกแบบพ <c oughs> ่อก็ต้องตามความเป็นจริงใช่ไหมล่ะออื <c oughs> แล้วบัญชีถนนเส้นนี้อะเข้ามาเออมาเป็นเงินเท่านี้ของคนนุ่นเท่านี้เท่า น, นั้นนะเนี่ยทําบัญชีให้ดูนะคนเขาเห็นอนะเขาคําอะเขาก็แฮปปี้จริงเปล่าพ่อใช่ใช่ เออคุณคุณคิดยังไงอ่ะคุณทําอะไรให้คนเขาทําบุญแล้วเขาเกิดปิติสิใช่เปล่าไม่ใช่เกิดทุกข์อืมแต่ไงก็้ก็เดี๋ยวจตามเรื่องนี้หลวงพ่อว่ามันต้องเริ่มมาเพิ่ง เ, งเริ่มต้นเราคงจะต้องช่วยกันแก้ไขอนะแก้ไขให้ก็แก้แก้ไขหลวงพ่อเขาเก็บอารมณ์แล้วหลวงพ่อก็ให้เขาทําสัญชีอย่างที่พู้ว่าแลหละพ่อก็พิจารณาดูแล้วกันในช่วงนี้เขาคงจะต้องให้เก็บอารมณ์สักระยะหนึ่งดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ให้ทำงานต่อ ถายังไม่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นก็ต้องแก้ไขกันไปเรื่อยๆเขาก็มุ่งมั่นในทางที่ที่ดีนะเชิงเดี๋ยวว่างานเยอะมันก็อาจจะเบลอจะผิดไปแล้วก็คงจะต้องให้อภัยกันะ ข้าไายข้าโทรศัพท์แต่ละเดือนเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอพุงได้ยินพวกบอกว่าพี่จีถ้าทำแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าทุกขนอย่าทําไปบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อไปบังคับหอกแล้วถ้าทำแล้วพี่จีได้บุญแล้วอ่ะแล้วแล้ามาพูดอย่าเงี้ยบุญมันหายหมดแล้วเข้าใจไหมแล้วคนอื่เขจะมองเรายังไงแล้วมองหลวงพ่อยังไงถามหน่อยสิโอเคยเตือนเราเขาเคยเตือนเคยเตือนเขาแล้วใช่ไหม ตือนแล้วเนี่ยเที่ยวนี้ยตือนหนักเลยเลยบอกทําไมไม่อดทนอดกัน้นมั่งถามหน่อยสิเขาฟังเขาฟังหรือว่าเขาก็คือจึงบอกว่าพูดอะไรทุกอย่างเขาเงียบหมดเนี่ยหลวงพ่อเลยเขาเงียบหมดเขาไม่เฉียงกลับเลยนะเออแล้วนี่มันเป็นบุญ พ, พุจิคิดว่าทำแล้วทุกอย่าทาถ้าภาพแล้วไปบอกหลวงพ่อเลยว่าทําไม่ได้เราคิดว่าถ้าจ่ายตรงนี้นะเราจ่ายไม่ได้ก็ไม่ต้องทํา ถามดิว่าหลวงพ่อให้ทําเนี่ยบุญหลวงพ่อหรือบุญของพี่จิเราทําเราบุญของเรานะไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อเขาทาไอ้นู่นไอ้นี่ก็เป็นบุญของหลวงพ่อนะมันแยกแยกกันอยู่นะอจริงจริงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องพิสูจน์ตัวใครดูมันกันนะว่าแต่ละคนอยากเข้มแข็งแค่ไหนนะการเป็นธรรมะธรรมะพิสูจน์ใช่ ก็ยังเอายังติดต่อกับทางทางพิดาเนี่ยใช่ไหมเขาก็ไม่ได้รายงานหลวงพ่อว่าเทาจะจัดเครื่องบินอย่างนี้นะต้องพระกี่รูปอะไรเนะคารวาสไม่ต้องการไม่รับนะต้องจ่ายเองนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นกู้งก็ต้องรายงานหลวงพ่ออ่ะนี่เมื่อกี้มีหมอกนกมากูยังไม่ได้ถามว่าแล้วตกลงแต่ละครั้งที่นิมนต์พระองค์นู้นองค์นี้มาปัจจัยใส่ยังไงก็ยังไม่ได้คุยกับพิดาเลยพิดาบอกกาตกลงกุจินี่เป็นไงว่ากุ้ง โอ้ยอย่าไปอะไรมากนะให้ให้ให้ไฟกับหลวงพ่อโดยตรงอย่างเดียวใช่ยื้็ตรงไปก็คงจะจัดการมันเรียบร้อยหมดแล้วก็โอเคว่าเราเราตกลงกันว่าเราจะต้องให้ห้เก็บอสมรงลงสักระยะหนึ่งงานในช่วงนี้งานสื่องานอะไรก็คงจะขาดหายไปสักระยะนึงนล้ค่ะจะได้ให้แกเคลียร์ตัวเองจริงจริงนะจริงมีคนถ่ายยังพระ ท่นถ่ายแล้วก็อะไรอ่าที่ไอ้ไฟเฟยอะไรที่เพกไปถอดคําพูดถอดอะไรอะไรเงี้ยมันมันมันก็ยังพอหาได้อยู่หลวงพ่อแต่จริงๆอ่ะกุ้งเป็นคนไม่ชอบเรื่องสื่อเพราะว่าไม่อยากสนใจแล้วนึกออกไหมแต่ถามว่าจะศึกษาก็ศึกษาได้แต่มันมันล้นอ่ะมันไม่อยากทําือใช่อะไรคนทางโลกก็ไม่มีอะไรศึกษาไม่ได้หลวงพ่อว่าไหมล่ะอืมงานนี้งานหนักนะงานคัดลอกงานตัดต่องานอะไรเนี่ยวงพ่ก็เลย ก็ไอ้คัดลอกนี่ยังไงก็ต้งบอกว่ารู้ว่าหลวงพ่อต้องอาศัยเขาทางด้านนี้อ <Okay. S 2> หลวงพ่อก็เอาจุดเด่นอันนี้เพื่อเขามาทำ <Okay. S 2> แต่ยังเกินก็คือตัดกําลังเข้าไปเพื่อจะไม่ให้ให้ให้มีเชื้อเลี้ยงไอ้กิเลสกลนขึ้นมามาทํางานคัดลอกโดยเฉพาะเลยนะหมดเพราะเขาเขาทำได้ดีเหมือนกันนะก็ะแบ่งงานเกาคุยเจ้าไปคุยยืมแบ่งงานกันหลวงพ่อว่านะเขาเขาเขาเคยเป็นอาจารย์สอนคอมมาก่อนอ๋อ<ท><ท> <ช>เขาก็เลยรู้เรื่องพวกเทคนิค น, นี้หมดเข้าใจไหมใช่ใช่ทีนี้ของกู้มีเด็กคนหนึ่งเขาเรียนในพิธรมเขาก็ปัดได้อะไรได้แต่เขาอยู่กรุงเทพอาจจะไม่ได้ทันทันที่หลวงพ่อต้องการออืก็คงพิจารณาต่อไปว่าต่อไปคนไหนที่นทถนัดให้มันคนละเรื่องเรื่องไปมันจะได้ไม่พลาดเหงอนนะโมยเฉพาะถนังนั้นก็ถ้าจัดการหลายเรื่องมันเบื่อมั น, มอมอนกันนะ ไม่หรอกหพ่อคือคือกุ้งก็ทําทํางานแล้วก็บริหารอะไรพวกนีดด้มาเนี่ยคือถ้าเราให้คนหนึ่งที่กลุมอํานาจหมดทุกอย่างวันหนึ่งไม่มีเขาเราก็แย่แล้วพักกุมแล้วเขาเขาวางแผนได้ดีแล้วเขาแจกแจงง า, แาางานแล้วเขารายงานเราตลอดมันก็โอเคแต่มันกลายเป็นว่าทุกอย่างคือเขาทุกอย่างคือเขาเขาก็เลยถือว่าเขาใหญ่เขาเป็นเคสแล้วออืแล้วเขาก็ลืมตัว ตัวนี้เป็นแทบกันส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ถึงที่สุดทุกมันก็เป็นกันแทบทุกคนอ่ะเนาะกีเดตไม่เข้าใครออกใครว่าเนีว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันทดสอบหลวงพ่อด้วยแหละเพราะว่าอย่ยงทำอะไรมันต้องประสัดขึ้ั่นแหละหลวงพ่อใช่มันมีให้เราแก้อ่าใช่ตัวทดสอบมันมันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงอ่ะหลวงพ่อถูกไหมล้ะคะกจริงมีเหตุการณ์ต่างๆนี่ยมันก็เป็นตัวฝึกฝนตัวขัดการมไปในตัวนะถ้าไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เราไม่เข้มแข็งกันนะ ใช่ใช่ก็ยัง like. พี่เ like ล็กกินบอกเออโชคดีว่ะที่หลวงพ่อยังยังมีเธอไว้กุ้งไม่งั้นแย่ไม่ได้เรากุ้งเป็นคนตรงแล้วอะไรที่มันไม่ชอบพรมมาพากลนิ่ไม่ได้เรานิ่งกับหลวงพ่อนี่ใครจงมาอะไรอะไรกุ้งก็ไม่หยอกอันนี้พูดตรงตรง้ไงก็ตามก็ให้เขาโอกาสให้เขาได้แก้ไขตัวเองสักระยะก่อนถ้าเขาแก้ไขได้ก็แบ่งงานชงานที่เขาคิดผิดเข้าไป แล้วเรื่องไอ้บัญชีที่โอนโอนโอนู่ น, น, น, นโอนนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ให้เขาเคลียร์ให้น้อยที่สุดใช่ปรับมาให้ให้กับอยู่กับพี่โสภ า, าก็ได้ใช่โสภามันก็ตรงไปตรงมานะแหมพี่โสภามันน้องเราอยู่แล้วหลวงพ่อมันไม่คนอื่นใช่มันประหยัดจะฆ่าเราเหรอเออประหยัดมัธยฐานอะไรไม่ได้ใช่ เพราะนั้ก็เราจะให้ดูแลมันให้ดูแลแต่ว่ามันก็ถนัดเป็นบางเรื่องของมันนั่นแหละแต่เรื่องอื่นมันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะนะเข้าใจเข้าใจเพราะว่าคนเรามันมีความถนัดกันคนละด้านทีนี้หลวงพ่อพุ่งก็ไม่รู้ว่าพิติมีเรื่องบรรทุบัญชีอะไรกับหลวงพ่อหรือบัญชีทางไหนมาอะไรไงพุ่งไม่รู้แต่หลวงพ่อจมีบัญชีกองทุนสื่อบาญทีบัญชีที่เขาก็กระจายกันไปนะบางทีพลาดส่งพลาด ที <ฮะ S 1> พวกนี้ที่เขาทําอยู่นะาพร<ฮ>ะส่์อภารกองทุนเราตั้งเป็นกองทุนมาตอนช่วยเหลือ <ฮะ S 1> แต่ละเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ไปแต่ยังไงก็ดังหลูเพราะว่าให้แต่ละคนแล้วเข<อ>าขเคยทำลิ้เท ห, หลงพ่อดูไหมว่าบัญชีนี้เป็นของซื้อบัญชีนี้เป็นของกองทุนพระสงฆ<อ>์อภารเคย<อ>เคยทํำไหมว่าเออตอนเนี้ยเป็นเงินอยู่ในแดงคือจริงแต่เราทําเป็นเล่มหนึ่งมาว่าตัวเลขมันอยู่ตรงนี้แล้วให้หลวงพ่อดูอย่างเงี้ย นี้าทออกคนนีี้อะไรย่เก็มีคนมีคนรับผิดชอบอย่างกองทุนสื่อเนี่ยเขาก็โซภาดูแลอยู่กองทุนพระสงฆ์อาพัตดูเหมือนที่ว่าคุณวิชัยคุณวิชัยกับคุณสุนันทานะแล้วก็บัญชีเกี่ยวกับภัยดูแลภัยพิบัติเพิ่มเตมในนักปฏิบัติของเราเนี่ยเขคือเหมือนคุณนนทกรคุณนนทกรกับคมณอะไรนะต้นกล้าเนาะกล้าก็แบ่งรับผิดชอบไป ย่งบัญชีเกี่ยวกับเร <ạ. S 1> ื่องมูลนิธิก็มีหมอทววร์นะนะหมอทววร์กัหมอาาหมอา <ạ. S 1> จารย์ภูรศักดิ์อาจารย์ภูรศักดิ์ก็รับผ <ạ. S 1> ิดชอบกันไปไ <อ S 1> แต่กุงว่าไอ้บัญชีพวกเนี้มันจะไม่เคยมีปัญหาแต่มันเป็นบัญชีไอ้ไอ้ปัจจัยที่เข้ามาที่เป็นเป็นสดๆเนี่ยมัก็บัญชีก่อสร้างที่เข้ามาตามปกตินะบัญชีก่อสร้างบัญชีกระถิ่นท่อป่าพวก น, นี้ก็มีบัญชีบัญชีครัวใช่บัญชีครัวก็โซฟาดูแล เราสร้างเป็นกองทุนกองทุนนะเราทำก่อนที่เราจุดทะเบียนทำบุญนิธิขึ้นมาอยู่ก็เพื่อรองรับพวกกองทุนเหล่าเนี้น ะ, ะก็ไม่นานคุณจะผ่านหลวงพ่อคงจะจัดระเบียบใหม่นะให้เขต้อง <ใน S 2> ต้อง <ใน S 2> ต้องต้องมีระเบียบยแล้วก็ที่วัดก็ต้องทําบัญชีเป็นรายเดือนด้วยหลวงพ่อใช่มีโอกาสจะขึ้นไปทำบัญชีเป็นเป็นเป็นรายเดือนอะไรให้แล้วก็เข้าเท่าไหร่สมมุติว่าหลวงพ่อไม่อยู่มีคน ม, มาทําบุญ เราก็ลงเลยว่าเออวันนี้มีคนต้องาำบุญเท่านี้เท่านี้แล้วก็สิ้นเดือนปิดปิดงบยอดเท่าไหร่หักลบแล้วเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเลืออะไรอย่างเงี้ยเด็ดลบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันต้องทํำมาค่าน้ําค่าไฟนู่นนี่นั่นจะซื้องอะไรแล้วแต่คือต้องลงให้เป็นไม่มันจะมีที่มาที่ไปแล้วอีกหน่อยมันก็จะเป็นประวัติในวัดเรา ด, ด้วยของพ่อใช่แล้วคนค น, น, น่่่่หมมมาททเเีีีััจะวบพอไ้ญชข เดี๋ย ว, วถ้าหากเรื่องมูลนิธิออกมาเรียบร้อยเราคงจะเระเบียดคนใหม่เริบเบียวดวัดตอนนี้เรื่องกําลังจะผ่านอยู่นะตรงนั้นเร า, เราก็าตั้งต้นใหม่ที่แล้วมามันก็เรยกว่าการช่วยกันตามศรัทธาแต่ว่าต่อไปมันก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นอโอเคน่แค่ไหนเวลาไปเว<ป>ลาไปไหนมาไหนเกี่ยวกับเรื่องเงินที่จะเข้ามาอ่านี้ของหลวงพ่อหรือว่าอะไรเงี้ยเขาต้องชี้แจงเป็นรายละเอียดไม่ใช่เขารับรับรับรับรแล้วก็ ไม่รู้อะอยู่ตรงไหนมันก็เหมือนกันอะอะไรทุกอย่างเนี่ยกองทุนเนี่ยเข้ากองทุนกองทุนน่ยมันไม่ใช่แต่ถ้าช่วงหลังนี่งานมันเยอะงานนักเรียนเอองานเผยแพร่ข้างนอกโดยเฉพาะงานนักดักคืองาน น, นักเรียนที่เข้ามาอีกโอ้ยค่อนข้างหนักพอสมควรนะหลวงพ่อก็เลยว่าเดี๋ยวก็ใจ โ, โอเคเดี๋ยวมิวการแล้วก็ก็รายการของทหารเนี่ยเขาพูดเองก็บอกว่าหลวงพ่อให้เขาเป็นคนคัดคนไปเองจริงหรือเปล่าก็ไม่หลวพ่อก็มอบเป็นสายไป สายทางกรุงเทพเพ่็ให้จันท ร, ปร์ปวัพาทว่ามีใครบ้างที่จะอ่าเป็นสื่อสายทางเชียงใหม่ก็คุณน้องกนนะจักษรพันดา <ทะ S 1> จาก <ทะ S 1> พระรุ้สติก็เช่วยๆกันว่าใครที่น่าจะก็ให้แกเป็นคนรวบรวมรายชื่อทางพระรุ้สตินะเขาพูดกับไอ้เจ้าเปิ้ลก็บอกพี่กุ้งกุจิไม่ให้เปิ้ลไปในนี้นเขาบอกว่าแกไม่ต้องไปเปิลนี่เปิ้ลจันท่มาเนี่ย ในเที่ยวนี้มันก็มาช่วยงานอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวช่วยงานอยู่ห้องพยาบาลอ๋อเคยไปเชพยาบาลเหรอเขาเป็นพยาบาลอยู่แล้วหลวงพ่ อ, อ, อแล้วสามี e เขาเป็นนายทหารแต่ก็ต้องบอกกับหลวงพ่อว่าคนนี้เา้าคนล้นล้นอยู่พ่ออะไรก็ ย, ยังไว้ใจไม่ได้ใช่วันนั้นเราเผลอหน่อยเดียวแกไปเรืร่อยๆตางอะไรซื้ออะไรโทรศัพท์เฉยเลยก็เลยว่านั่นแหละ<อ>นั่นแหละ ต, ต่อไปอย่าทาเนอะวา นั่นแหละมันมันยังล้นๆ้นอยู่มันยังไม่มีสติที่จะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องระวังเงินคนเราเพื่อนนี้ว่าไหมเขาก็เป็นมานานแล้วเนาะทา้งเกลี่ยยากันมื้นในคนนี้นะเขาเป็นเขามันเป็นอนุสัยเก่าหลวงพ่อใช่ทางคุณตาก็คงจะคุณตาก็คงจะออกปล่าเงินมึงแล้วกับคุณเพื้นนี้นะคุณตาเขาพูดมาดีพูดกับกุ้งเขาอกกุ้งอันเนี้รักๆักันนะเพื่อนนี้ก็จะไปไว้ใจอะไรเยอะแยะนะ ออ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากแต่กุ้งก็ดูอยู่เหมือนกันหลวงพ่ อ, อเพราะเราก็กันตัวเราแล้วก็ดูห่างๆเหมือนกันหลวงพ่อใช่บางทีใกล้ๆแล้วลับไปล้วงกันเหยียดกันยากเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าพอเราให้ค่าปุ๊บเนี่ยมันคุมไม่อยู่มันไปไกลเลยนะทีเนี้ยอนั่นแหละก็ปัญหาเรานี่ไม่ค่อยมานีกา่กันนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตัวกดกดเนี่ยต้องเรียนหลวงพ่อตรงๆว่าวันที่ไปสวนโมกนะ ท่านบอกว่าการสร้างจังหวะเนี่ยมันเป็นชีวิตจิตใจแต่นอกรูปแบบไม่มีอะไรที่จะสร้างได้ก็ใช้ตัวนี้กดเพื่อให้มีสติ hmm. ผลสุดท้ายมันก็ต้องทิ้งอาวุธหมดแต่ไอตัวสร้างจังหวะก็ต้องสร้างยันตายนี่คือพระอาจารย์กสินพูด hmm. แต่ถามว่าแค่กดภายในสองวันะ่ะมีเด็กสองคนเนี่ยก็ได้สภาวะอื hmm. สภาวะตรงที่ว่าเขาเดินจงกลมไม่ได้กดนะ่ะแต่เขารู้สึกว่ามือเขาไปปัดถูกกางเกงอะ่ะแล้วเหมือนกับมันฟิวไปเลยอะ่ะแล้วมัน เป็นว่องว่า ง, ปงโปร่ะเขาบอกเขาไม่เคยเจอสภาวะนี้อืมก็พี่ขี้ก็คุยกับคุณเล็กไปรอบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องตัวกดเนี่ยนะค่ะมันเป็นอุบายใครจะคิดวิธีการไหนก็ได้แต่ว่าอย่าให้ไม่ไปติดอันใดอันหนึ่งแต่ตัวหลักมันก็คือเพื่อเคารพครูบาอาจารย์เพราะว่าเรื่องนี้มันเคยเกิดสมัยหลวงพเทียนหวงตาคนหรึ่งือกตนะกลงดามากเลยนะแกก็มาทําตัวโกดที่เนะี่แต่หลวงพ่อรู้เข้าหลวงพ่ อ, บ, พอ บ, บอกว่าไอ้เฉพาะอิทิบทสีของเราในมุมบร บทเยอะของเรามันมากมายบอิหารก็ไม่หวัดไม่ไห ว, ไหวยาวัตถุอื่นมาใช้อีกอยังไงหลวงตานั้นก็ออกไปนะที่หลวงตา ม, ม้าง ก, ก็เป็นคนชนบุรีก็มันเกิดขึ้นในสมัยหลวงพ่อเทียนมันกันแหละหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้าไปใช้วัตถุนอกตัวไปเนี่ยมันเป็นสมถะ น, นอกรูปแบบไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาจะใช้วัตถุเฉพาะรูปนามเนี่ยมันก็เหลือเฟือแล้วท่านก็อธิบา ย, บายก็พอเกิดเหตุเหล่านี้เองพ่อก็นึกเรื่องนั้นได้นะถ้าไม่จําเป็น นี่ต้องขออนุญาตหลวงพ่อเรียนว่ากุ้งเราอยู่ตรงข้างนอกตึกระทําึกระคนรุ่นใหม่เขาชอบอะไรที่มันสบายแล้วถ้าเรายังแบบรูปเดินกว่ากุ้จะยกมือเดี๋ยวยังหวะสี่ห้าหปีฉันจะรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้่มันมันเวลาเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นที่มาล่อให้เขามีส่วนี้ขึ้นมาอันนี้ต้องบอกหลวงพ่อตรงๆ ใช่แต่ควจริงความจรอุปกรณ์ภายนอกที่เขาทําอยู่ก็เยอะแยะก็คือลูกประคําลูกอะไรข้อนี้มันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละมันอุปกรณ์แต่ก็รู้จักใช้เท่านั้นแต่ว่าคนทันสมัยอย่างพี่เล็กกับคุณจันญาเนี่ยเขาก็ชอบอะไรสบายๆเขาก็คิดว่านียคือโอเคอทีนี้เราจะร้อยลูกปัดสมดติพวกพุ่งมีเวลาควกองร้อยลูกปัดถ้าหลมออแดดกได้เอาถ้าว่างๆไม่มีอะไรยกมือไม่ได้ขับรถไปก็นับกรมประคำไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่มันหลวงพ่อทีิเอ็นท่านแนะไว้อย่างนี้มันไม่ต้องมีวัตถุที่สองที่สามวัตถุที่หนึ่งแม้แต่มือของเราเนี่ยก็คลิกหัวไมมือพิกลไม้มือท่านก็ยิ้มท่านก็ยิ้มมือให้ดูใช่ไหม<ช>แค่เนี้ถ้าตั้งใจทําแค่นี้ก็เหลือเฟอือแล้วไปเอาวัตถุอะไรเข้ามาอีกท่าน ก, ก็ว่าพระที่ชอบใช้ลูก ป, ปัดลูกไอ้คำมอนนะเออมันมันลุกลังนะแต่ตัวเรานี่ก็ลุงลังพอแรงแล้วเอาวัตถุอยู่มารุงลังทําไมอีกท่านก็ว่างอย่างนี้ก็ถึงบอกว่า มันรุ่นของหลวงหลวงพ่อเทียนแล้วรุ่นเนี้ยมันมีลายมีอะไรมันเก้าวต้อนู่นแล้วหลวงพ่ออะไรยิ่งใหม่เท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งดึงดูดให้คนมันสนใจเยอะพ่อแต่ว่าท่านก็คอยมราระมัดระวังว่าว่าอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยอย่าตามใจคนถ้าตามใจคนเพราเธอตามกิเลสคนเนี่ยเราต้องรักษาหลักการอะไรให้ดีนะแะ้วกใช่ใช่ใช่ใช่ใก็เน้นเรื่องหลักการแต่ว่าไอ้ตัวกดๆเนี่ยมันก็คือ คนรุ่นใหม่มันไม่มีอะไรกำหนดอย่างยังกุ้งกับรถเออบางทีก็มารู้มือรู้ลมหายใจรู้เหยียบเท้ารู้อะไรมันเป็นธรรมชาติไปแล้วไงหลวงพ่อใช่คือทุกอย่างใช้ทุกอย่างใช้เป็นอุบายได้หมดลูกเชิงกี่รถสปาร์ชใช้เป็นอุบายได้หมดแต่ว่าเราจะใช้เป็นหรือไม่เป็นหเราต้องใช้ให้เป็นมันก็ต้องอยู่ที่คุณที่เคยมีของต่อมาด้วยไม่ใช่เหรอหลวงพ่อใช่เพราะว่าต้องรู้เร็วหลังผูชาบางคนเนี่ยบางคนนี่เขาใช้ลูกปัดใช้ลูกประคำเอาไปเอามาเป็นตัวโชว์ วดอัดตาของตัวเองไปเลยใช่ไหมค้องคอนานๆต่อไปเนี่ยนานๆต่อไปมันมันแผกเพี้นไปมันควบคุมก็ไม่ได้กลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วก็ลืมของเก่าไปไงอย่างเงี้ยมันมันก็ต่อไปก็จะมีอะไรเอตัวกฎเพชรตัวกฎทองตัวกฎทองคําอตัวกฎอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันมีการคือกี่เดียบผมกไม่สิ้นสุดเพราะนั้นท่นบอกว่าอย่าไปเสื่มอะไรให้มันเกินกว่าเท่าที่มันมีไอ้เฉพาะเท่าที่มีบริหารใช้มื่อกันเหลือเฟือแล้วท่านว่า จิตคนมันวิตติมีหลวงพ่อใช่ท่านบอกถึงเมื่อให้ไปตามโลกไมให้ไปสนใจเรื่องคนมากนักเน้่นเอาหลักทําเป็นหลักกันวยไม่ไปตามใจค น, น, นไม่ใช่สุดก็ <c oughs> ตอนนี้คนณี่เล็กกับคุณจันยาเขาก็สนใจไอ้ตรงนี้อนะแล้วก็แบบเหมือนกับไองงง้ทางโน้นก็คุณวิญญายก็เออให้อย่ามีการสอนถ้าจะทำแม่บอกก็เลยบอกว่าพี่เล็ก คุยกัหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อจะได้เข้าใจดังั้นมันจะกลายเป็นเข้าใจแล้วลูกพูดผิดลูกหาไม่จะแปง ก, กันใหญ่ที่เล็อกจะหนีปัญหาเฉพาหน้ามันไม่ได้ต้องอธิบายให้หลวงพ่อเข้าใจแต่พุ่งจะเปิดคนพูดตรงๆลูกของพ่อจะชอบไม่ชอบจะด่าก็ด่าจะไม่ไ ม, ไม่ไม่คบด้วยก็ไม่คบพุ่งไม่ใส่ใจเพราะพุ่งปรารถนาดีแต่ไงก็ตามอุบายเรื่องอุบายธรรมที่จะเอามาใช้เนี่ยไม่มีใครเกินหลวงพ่อแต่ว่า ที่สุดแล้วก็คือต้องกลับมาแค่ลูกแค่น้าเหลือแค่ลูกแค่น้ำไม่ไม่เคยไปใช้อุบายอะไรนอกเหนือเขาจะใช้ค้อนใช้เคาะใช้กด ใ, ใ, ใช้ลูกประคําลูกอะไรระครังอะไรมากมายที่เราใช้กันมานะในที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นอุป ก, กรณ์ที่เรียกว่าเกินจําเป็นแล้วมันพัฒนาไปไม่สิ้นสุดหลงพ่อเทีย น, นก็เยใช่กลายเกินเกินไปนก็ลุงหลังกับทุกอย่างของร่างกายเราแหละหลวงพ่อใช่ แต่หัวจุดเท้าใช่ถ้าเจอหัวจุดเท้าเนี่ยมันก็จํานุนได้หมดแล้วถ้าจะใช้มันได้ใช่แต่เราต้องใช่เราต้องพยายามทําความเข้าใจกอนทีลูกศิษย์ฟังฟังฟังความไม่เรื่อยเืเนี่ยมันเริ่มจะฉิบชาแล้วไม่เข้าใจเขาบออยากจะเรียนครูใหม่อะไรใหม่อาจารย์ใหม่พอไปไปไปไปกลับมาอุ้ยยังไงฉันกสู้อาจารย์คนนี้ไม่ได้ก็กลับมาใหม่แล้วงพ่อใช่แต่มันทําให้เสียทําให้เสียเวลาการเดินทาง มันก็เป็นงเขอ่ะี่มัไปอย่างนี้อ่ะ้ช่ไมมกุ้งกุ้งเดือพ่อต้องพักผ่อนกันนะพ่อไอมันไอมากเลยนะมียาฉันไหมเนี่ยก็ไม่ไม่ยอมฉันยาก็จะพักผ่อนเทานันอ๋อเหรอคะเออโอเคแค่นี้นะค่ะแล้วมาการกันพ่อ